ยอมมอบกายถวายชีวิตต่อครูอาจารย์ผู้รู้จริงจากจังหวัดสกล น, นครท่านก็เดินทางต่อไปจนถึงวัดที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ในระยะนั้นคือที่บ้านโคกตําบลตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครเหตุการณ์ในระยะนี้ ท่านเล่าว่าไปถามชาวบ้านเขาเพราะทางเข้าไปวัดของท่านอาจารย์มั่นเป็นทางด่านนะมันไม่ได้เป็นทางล้อทางเกวีอนอะไรทางเป็นด่านพอคนเดินไปพ้นตัวไปเท่านั้นแหละชาวบ้านเขาบอกเขาบอกให้มานี่นี่ทางนี้ไปวัด ให้จับทางสายนี้นะนี่แหละต้นทางให้เดินไปตามทางนี้ละ่ะอย่าปลีกทางนี้และจะเข้าถึงวัดพอเขาบอกอย่างนี้แล้วเราก็ไปไปทั้งมืดมืดไปพอส่วมซ้มส่วมซ้มเข้าไปในวัดจากนั้นก็ดูนั้นดูนี้มืดมืดจนไปเห็นศาลาหลังหนึ่งทำให้สงสัยนะ เอนี่ถ้าเป็นศาลามันก็ดูว่าเล็กไปสักหน่อยหมายถึงศาลากรรมฐานนะถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปกําลังดูอยู่อย่างนั้นแล้วก็เดินเซ้เอซาเซ้อซาเข้าไปท่านอาจารย์มั่นกําลังเดินจงกรมอยู่นี่นามันก็ไม่เห็นเออท่านเดินจงกรมอยู่ข้างศาลา ท่านกั้นห้องศาลาพักอยู่นั่นพักจำวัดอยู่ที่ห้องศาลาเล็กๆนั่นน่ะเราก็เดินส่วมซ้มส่วมซ้ำมองนั้นมองนี้ไปก็เราไม่เห็นนี่มันกลางคืนแล้วท่านก็ยืนอยู่ใกล้ๆนี้ท่านเดินไปจนพบท่านอาจารย์มั่นบนทางจงกรมท่านอาจารย์มั่น จึงถามขึ้นว่าใครมานี่ท่านกราบเรียนว่ากระผมครับด้วยคำตอบนั้นของท่านทำให้ท่านอาจารย์มั่นกล่าวขึ้นอย่างดุๆุพร้อมกับใส่ปัญหาให้ได้คิดในทันทีนั้นว่าอันผมผมนี้ตั้งจะคนหัวล้านมันก็มีผมแต่ตรงที่มันไม่ล้าน ถึงตรงนี้ท่านรู้สึกเสียวแรบในหัวใจเพราะเข้าใจทันทีว่าไม่เกิดประโยชน์อันใดด้วยการตอบเช่นนี้เลยขณะเดียวกันทั้งทั้งที่กลัวเกรงท่านอาจารย์มั่นมากแต่ก็รู้สึกถึงใจอย่างที่สุดกับคำดุชนิดหาที่ค้านไม่ได้เลย ท่านยอมรับทันทีในไหวพริบปฏิพานของท่านอาจารย์มั่นดังนั้นถึงแม้จะกลัวท่านผินใดก็ตามแต่กลับรู้สึกดีใจอยู่ลึกๆว่านี่แหละอาจารย์ของเราจากนั้นท่านก็เลยรีบกราบเรียนใหม่ทันทีว่ากระผมชื่อพระมหาบัวเออ ก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมผมใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคนไปไปพักข้างศาลานะจากนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ออกจากทางจงกรมขึ้นไปบนศาลาภายในศาลาจะกั้นเป็นห้อง ใช้เป็นที่พักสำหรับท่านอาจารย์มั่นเมื่อขึ้นบนศาลาแล้วท่านอาจารย์มั่นเตรียมจะจุดตะเกียงหรือโปะเล็กๆ ก, ก็พอดีมีพระขึ้นไปจุดให้ท่านเมื่อท่านอาจารย์มั่นนั่งลงแล้วท่านจึงถือโอกาสเข้ากราพเรียนถวายตัวเป็นลูกศิษย์และเรียนให้ท่านทราบ ถึงที่มาที่ไปพอให้ท่านได้รู้จักในตอนนั้นท่านอาจารย์มั่นยังคงฟังอยู่นิ่งๆด้วยความมุ่งมั่นอยากจะมาศึกษาอยู่กับท่านตเต็มเปี่ยมมานานหลายปีแล้วประกอบกับรู้สึกประทับใจในสติปัญญาฉับไวของท่านอาจารย์มั่น ความที่กลัวว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยทำให้ท่านเกิดความวิตกกังวลและครุ่นคิดอยู่ในใจว่าไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งท่านอาจารย์มั่นก็พูดขึ้นว่า นี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างคำพูดของท่านอาจารย์มั่นครั้งนั้นทั้งทั้งที่ก็เมตตารับท่านไว้แต่อย่างไรก็ตามท่านเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกใจหายใจคว่ำ เป็นอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่ศึกษาด้วยคำกล่าวของท่านอาจารย์มั่นครั้งนั้นจึงทำให้ท่านไม่สามารถจะลืมได้แม้จนทุกวันนี้